สิกขาบทที่ 7. ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนผู้คลุมศีสะณที่ไหนในสิกขาบทที่เจนั้นมีหนึ่งพระบัญญัตหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกาย